ทำทำต่ออีกเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติธรรมแล้วเราก็มีส่วนร่วงคือมีการกระทําสิ่งที่เรากระทําก็มีคือกายคือใจคือสติถ้ามีแต่ ส่วนประกอบไม่มีการกระทมและก็มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เป็นกรรมกรรมมันจึงเมื่อกรรมไม่มีผลของกรรมก็ไม่เกิดการกระทาสมคัญตั้งโดยเฉพาะกรรมาฐานศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ทันทีทันใดเป็นกรรมขึ้นมาทันทีสมวทตเราไม่ใช่มีสติเอามากำหนดมาทาดูก็เกิดขึ้นที่กายสติเป็นธรรมที่เป็นกุศลมีสติเบิดขึ้นดีใจเวลาใจมันคิด มันก็เป็นกรรมเป็นกุศลที่จิตใจเราใช่ก า, อ ย, า, ายอย่างไรเราใช่จิตใจอย่างไรเป็นกรรมปรปเพื่อนนบางทีใช่ไม่ถูกใช่ผิดพลาดเ็าเปืบอนเพื่อนมากการเป็น ก, นมามากเนิเลสพันหา้าจัญหารอยแปดจะเป็นโทษเป็นโทษตาย ปฏิบัติธรรมเนมันกรอบกู้มันลืโน่โทนมันลลบล้างเหมือนกิดอาบน้ำอางหน้าแบงปันซักเสือ้อซักผ้าให้สะอาดเพราะเราใช้มามันเปิดเพื่อนกายใจของเราเนี่ยก็เปิดเพื่อนด้วยอากุศล ความหลงมากกว่าความรู้จิตใจก็เ ป, เปิ่มเพิ่มด้วยอกุศลความหลงมากกว่าความรู้เมื่อมีความหลงมากกว่าความรู้ก็ใช้ชีวิตที่ผิดคิดผิดพูดผิดทํำผิดได้ชีวิตที่ผิดเป็นเหล่ามอยาตสวโสโมโอหูทะลาะวิบาทกาัน เห็นข้ากันเบียดเบียนตนเองหรือเปลียนคนอื่นอาใช่ไม่ถูกก็เป็นผลกระทบกระเทือนไปต่อทุกสิส่งต่อเพื่อนร่วมโลกเราจึงมาทำอันเดียวกันมาทำกรรมมาปฏิบัติธรรมมามีสติไปแตงกาย น่งวันบ้างสองวันบ้างเจ็ดวันบ้างหนึ่งเดือนบ้างเเดือนบ้างชาที่สุดถ้าไม่เกิดวันเลยหนึ่งหนึ่งปีถึงเปีต้องเกิดอะไรก็แน่นอนเพราะมันเป็นกรรมเออโดยเพราะกรรมฐานตามรูปแบบของติตประฐานที่วันจัดเกณฑ์ แม่นยอมมีกายมีรูปแบบสมัยก่อนพระติเ้าสมัยก่อนพระสิทัตถาก็เพียงแต่ว่ากู้แขนเข้ารู้สึกเหยียดแขนโดกรู้สึกในวันเพริญเดินหกหนาหนากู้แขนเข้ารู้สึกเหยียดแขนโดกรู้สึก ลู่ไปในกายอ่ามันคิดไปที่ใดที่เป็นเรื่องของกิจก็ลกลับมาที่กายมาตั้งไว้มาตั้งไวอ่ามันคิดไปก็ลู้ที่กายถือว่าสอนกิจพืหัดกิจโดยตรงอยู่แล้วแล้วก็อย่างเดียวก็มาเป็นพวงเพราะ มันก็มีอยู่นี่พอ เ, เห็นกายก็ประมาณหลงอะไรที่มันทุกข์มันโทษเลยกลับมาหาที่ตั้งมันตจนท่าเจ็จะบเจ็ป่วยปวดป่วยง่วงเหงาหัวนอนกลับมาหาที่ตั้งมาลู่สึกกู้แขนเข้าเหยียดแขนออกก็ ต, ต้องสู้พอสงควรหลงแล้วหลงอีกทุกแล้วทุกอีก ไปเก็บความพิษไปเก็บตากับหูไปก็บา ก, บกบายต่อมท่าจะเป็นรอนเป็นหนาเด็เดเผยเมื่อยล้าก็ไว้โท้ไว้แท้ไม่โท้ อ, ท อ, ท อ, ท อ, ทอแทมาลู่ที่ศึกตัวความลู่ศึกตัวไม่ได้เมื่อยล้ากับอะไรไม่ล้าสมัยยังลู่ได้อยู่ใช้ได้อยู่จะเต้นจะตายยังไงก็ใช้ได้อยู่นั้นเขี้วอยู่ มันเป็นอะไรก็รู้สึกตัวขึ้นมาจนมันจำนี้ํานานเห็นเรื่องเก่าบ่อยๆเรื่องผิดก็เห็นบ่อยๆเรื่องถูกก็เห็นบ่อยๆก็มีบทเรียนเพิ่มขึ้นได้บทเรียนที่จากของเท็จของจริงที่มันเกิดกับกายกับใจเรานี่มีกันทุกคน ไม่มีใครไม่ผิดไม่มีใครไม่ไม่ถูกไม่มีใครไม่เคยสุขไม่มีใครไม่เคยทุกข์แต่ว่าปัจนนี้เราหว่านรูปสืบตัวที่มันเชก่อนมาลูจึกที่กายกู้แขนเข้าแขานออกยิ่งกรรมาฐานแบบที่เราทําอยู่นี้จัดสอนชาล่าสุดสี่จังหวะหน้าบีหน้าทีและรูวินาทีและรูยิ่งที ยิ่งแม่นยำชัดเกณฑ์ทำได้ทันใจทำได้ทุกชีวิตโดยเพราะการเคลื่อนไหวก็ไม่สูญเสียอะไรยิ่งสร้างเสริมอยู่กับบ้านร่างกายได้ประโยชน์ยกแขนเข้าเหยียดแขนหนกยกมือขึ้นยกมืลงมันบริหารร่างกายส่วนหน้าอกส่วนต้นคอส่วนหัวใจ ใบหน้าด้วยแต่ก่อนอาจจะยากหัดไปหัดไปมัมก็ง่ายขึ้นเบาเบามันเคยกินมันเคยเดินวันแล้วเคยอยู่ที่ไหนคองแควที่นั่นใช้ชีวิตที่นั่นก็คองแควที่นั่นเนี่เราอยู่กติที่บ้านมองน้ามองส่วมก็คลองแควไม่ต้อง แวงสว่างก็ไปไดของช่ช้ไม่ใอยเราอะไรเที่ไหนไปจับไปเลยถือได้เลยอยู่ที่ไหนก็บอกคนได้มันชํานาญชำนาญในกายชํานาญใน จ, ใจิตใจมีความรู้ชํานาญทุกพื้นที่ไหนกายในใจเรานี่อะไรที่มันมีอยู่ที่นี่หมด จนเหตุของเทศของเกี่ยงรู้จักรูปรู้จักนามแต่ก่อนนึกว่าตัวว่าตนพอมาเห็นเป็นรูปเป็นนามเล้มันลื่นถวนเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปทำเห็นนามทำมันทำดีทำชั่วสอนได้สอนให้รูปทำดีสอนให้นามทำดีแต่ก่อนมันไม่มีใครสอนไม่มีใครดูแล ทิงควางแล้วแต่วันจะเกิดเลยขึ้นมาสุขก็สุขไปเลยทุกข์ก็ทุกข์ไปเลยหลงก็หลงไปเล ย, ลเลยแบบนี้ไม่เป็นเช่นนั้นถูกสอนมามาก ก, ก็เชื่องลงเห็นเป็นรูปธรรมเห็นเป็นนามธรรมเห็นเป็นรูปเป็นนามเนี่ยมันไม่ไม่ใช่เห็นเฉยๆมันหลุดอะไรไปเยอะแยงถามการนั่นหมาย สิ่งที่ตามกับรูปจิตงทีนามกับนามโอเห็นตามผมเป็นจริงแล้วก็ผ่านห้ว่าผ่านเห็นคือผ่านถ้าเป็นไม่ผ่านการ เ, เห็นทางจิตวิญญาณมันผ่านไม่เหมือนเห็นทางตาตาเห็นอาจจะไม่ผ่านถ้าผ่านทางจิตวิญญาณตาก็ผ่านหูก็ผ่าน จะลูกทำหน้อทำที่มันทำดีทำชั่วใช่ได้มันก็เล่าผลชั่วแล้ก็ทำความดีเพราะมีสติตื <c oughs> <c oughs> ็นคู่มือผิดถูกรู้จักไม่ใช่รู้สึกตัวสิ่งที่เหมันหลงไม่ใช่ สิ่งที่มันรู้สึกตัวคืมันถูกต้องมันโู้ทุกไม่ถูกไม่ทุกถูกหลงไม่ถูกก็มไม่หลงถูกต้องมันรู้อย่างนี้มันเห็นอย่างนี้สัมผัสมันเป็นการสัมผัสสัมผัสความหลงสัมผัสความโูม้สัมผัสความทุกข์สัมผัสความไม่ทุกข์ก็ ไ, ได้บทเรียน ลูกทุกเห็นนาทุกทุกของลูกทุกของนามขุดคุยอยู่หมดเลยเจ็บเห็นทุกไม่ใช่เห็นใจมันเจ็บไทใจที่สุดสนใจที่สุดกว่าทุกเนี่ยกระทื อ, อล่นการยกคนช่วยตัวเองเนี่ยมันสนุกทุกอย่ที่ไหนเกิดเมื่อไดเกิดจะใดเกิดได้อย่างไร ทังป้องกันทั้งแก้ไขทั้งเอาไปเจี่ยวคล้องกับทุกข์นั้นไม่ปล่อยทิ้งทัดทีไว้ที่ว่าทุกนี่ยตือ้อเรื้อร้นมากทุกข์บางอย่างเกี่ยวค้องถูกต้องทุกป์งอย่างเกี่ยวค้องก็ถูกต้องมากทุกข์ที่เกิดขึ้นกับรูปเนี่มากมายแต่ภาวะทุก ทุกตอนสภาพเกี่ยวขอ้อง้วยความชัดเกณแ์งยบขรนิดเจอทุกทุกเนังนิดคือทุกตายลักนั่งอยู่นี่มันก็ไหลไปพร้อมเวลาคืนชีวิตเราไปด้วยไม่เที่ยงตายลักทีม่มันเกิดจากลูก ทุกขหนูนิดขุนหายใจต้องเอื้อนต้องไหวมาคันทุกข์กับทุกข์ที่จรมาเหยื่อข้าวหนักเบ า, าประเภททุกข์แบบนึงเดี๋ยวข้าวกรอย่างถูกท่องไม่เอามารวมเป็นทุกข์ที่เป็น ที่ว่าทุกทั้งหมดเป็นใชยทุกบางอย่างมาได้ปัญญามาได้ปัญญามันเห็นมันก็เป็นปัญญาแทนที่ทุกเป็นทุกอะายเป็นปัญญาทูกคือการพูดแต่มตอนนี้มีความแสดงถึงจักสิทธร แต่ทุกข์การปรุงแต่งไม่ให้เกิดมอนดหนี้ต่อยเหมือนกับไฟตกใจกะปัดออกทันทีใส่ใจตรงนี้ข ย, ยันแต่ทุกขจากการปรุงแต่งตอาจจะลนไม่ปล่อยให้หมกมุ่นคุณคิดทุกข์มองย่อนทุก ที่เราไม่รู้จักบาทีก็ทุกข์เพความคิดความคิดขึ้นมาความคิดตัวเองก็หยุดไม่เป็นหยุดความคิดไม่เป็นก็ต้องยอมมันนอนไม่หลับกินไม่ได้หรือทุก เกิมาเป็นทุกข์คิดเกิดมาเป็นทุกข์โอเนี่ยทุกข์แบบนี้ถ้าผู้ที่ไม่รู้จักก็เกี่ยวข้องไม่เป็นถ้าเราเห็นแจ้งตามความเป็นจริงของทุกขก์ทั้งปวงมันมีแต่เรื่องที่สะดวกรวมทุกข์มันทําให้สะดวกในความไม่ทุกข์รวมผิดทําให้สะดวกในความไม่ผิด เหมือนเราเรียนวิชาอะไรต่างๆทำงานทำการอะไรต่างๆมันจะเป็นศาสตร์ต้นชินตรงนี้มีฝีมือมีปริญญาชำ ม, มิชำนาญได้มดเรียนได้ปัญญาได้รับความสะดวกเหมือนชิงสุปกปก ถ้า <c oughs> ไม่เกิดถ้า <c oughs> ไม่เกิดความสดขึ้นมาถ้าไม่มีจริงสุกภกความสอดก็ไม่มีถ้าไม่มีผิดถูกก็ไม่มีแล้วไม่มีทุกเหนือทุกก็ไม่มีเป็นไปเพื่อความเด็กผู้เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อนิพพานหยุดเย็นได้นี่เมื่อเห็นทุกข์หลวงขนส่งขนส่งสนุกตรงนี้มาก ตนอกขนส่งตัวเองหลุดอะไรพ้นอะไรพ้นจากภาวะอะไรบ้างมองตนออกเห็นทุกข์นะเดืก็ลากเง้ามันก็ลื้อถอน เ, น, มมเ น, ญญนเห็นสมมติเห็นบัญญัติเมื่อเห็นสมมติเห็นบัญญัตินี่หมายโง่ โอ้หลงอามาเชื่อโดนเชื่อนี่ไม่มีแรง ว, วันจืดแลรงบันคือการกระทาอย่างเดียวเชื่อกำอย่างเดียวไม่เชื่ อ, รร อ, ว, อวิธีใดทั้งสิน้นอยู่ที่กเรรครือง ก, ก, กระทากำเป็นใหญ่มั่นใหญ่ในชีวิตเมื่อเห็นสมมุติเห็นบัญญัติเห็นวัตถุอาการต่างๆเชื่อมัน่น ในการกระทำของตนเองทำดีก็ดีพูดดีก็ดีคิดดีก็ดีเป็นอกเป็นกรรมเมื่อเห็นส ม, นมุทียมัญญยัดหายหงูหมมูหลงมองไมเชื่อน่นเชื่อนี้ไม่มีมันใหญ่ในการใช้ชีวิตเพียงพอมันใหญ่ในการทำการกระทำกระทำแบบนี้ ไม่ทําอย่างโน้นจะคิดอย่างนี้ไม่คิดอย่างโน้นจะพูดอย่างนี้ไม่พูดอย่างนน้นคือเชื่อกรรมกรรมนี่ประเด็นเป็นกรรมที่เป็นมีผลไม่ทําดีกว่าดีไปเลยคิดดีกว่าดีไปเลยพูดดีกว่าดีไปเลยไม่มีการผิดพลาด โอ้กรรมาฐานในวันพาไปห้ายอย่างที่พาไปถิ้นก็ช่วยสมาธิก็ช่วยปัญญาก็ช่วยการกระทําก็ช่วยไม่ตกไปในที่ชัวมีแต่เรื่องที่ช่วยเพียงพอการใช้ชีวิต ช่วยไปทางไหนช่วยไม่ให้มีทุกข์ไม่หลงไม่โกรธไม่โลภช่วยไม่ให้เกิดปัญหามีแต่ปัญญาอาคิดถึงคนอื่นการช่วยเหลือคนอื่นเป็นเรื่องที่ที่เบื้องหน้าที่ทิ้งไม่ได้สิ่งอื่นก็ช่วยที่ทิ้งไม่ได้เกิดวิ่งใหญ่ในชีวิตจิตใจขึ้นมา มองอะไรก็มองถึงว่าต้องได้ต้องได้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ได้อยกจะบอกคนเวลาท่านโกรธไม่โกรธก็ได้เวลาท่านท well, ุกข์ไม่ทุกข์ก็ได้เวลาท่านเก็บไม่เก็บก็ได้เวลาท่านเจ็ไม่เจ็ก็ได้อย่าทุกข์ความเก็บอย่าทุกข์ความแก่อย่าทุกข์ความตายบอกอย่างนี้ เรื่องความเจ็บความเก็บควาตายไม่ใช่ชีวิตชีวิตมันไม่เป็นอะไรสนุกแต่มันนะปฏิบัติทับแนละ้วมันเป็นกอบเป็นกรรมเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาจากการกระทําของเราไม่โทษถอยไม่ถอยหลังก้าวหน้าแต่เป็นสัทวาก็สัตวาก้าวหน้าไม่ใช่สัทว์แบบถอยออกถอยเข้า เวลาเยียดข้านก็หยุดเวลาขยันก็ทำไม่ใช่แบบนั้นในความถูกต้องเลยไม่มีไม่มีแก่ไม่มเจ็บไม่ตายทุกตลอดไปความผิดก็ไม่ผิดตลอดไปนันจึงเป็นชีวิตล้นลวนเห็นความเท็จความจริงที่เกิดอยู่กับรูปความนามตามความเป็นจริง ความเทศความเพียงที่มันบอกได้ทำให้เราผ่านพ้นมันไปทังที่สุงก็จบได้มันจบได้เรื่องของรูปเรื่องของนามมันเรียนจบได้โดยวิชากรรมาฐานเป็นสูตรอันเดียวกันทุกชีวิตไม่ต่างกันเลยก็มีแต่คำพูดที่ว่าเห็น ไม่ได้เป็นกับสิ่งต่างๆที่เกิดกับรูปของนามอันสิงที่เกิดขึ้นกับรูปของน้ําจะหลอกไม่ได้เด็ดขาดเพราะมันเห็นความเท็ความจริงของรูปของนามตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่มีอะไรโงกงามแปลขึ้นมาแบบใหม่ ลันรูปอันนามนี่อันเดียวเป็นสูตรเดียวความหลงก็เหมือนการความโกรกก็เหมือนการความทุกข์ก็เหมือนกันไม่มีอะไรอีกไม่เท่านี้เราจึงสามารถที่ทำได้ปฏิบัติได้ย่างที่เราหลงอะไรว่างไม่รี่ไม่รับเห็นกันทุกคนถ้ามีสติ สิ่งที่ถูกก็ไม่รีไม่ลักเห็นกันทุกคนถ้ามีสติถ้าไม่มีสติก็ไม่เห็นมีสติก็มีได้ไม่ได้ขอใครเช่นเรามือวางไว้บนตักหมอเขา่าให้รู้สึกตัว ร, รู้ได้ทุกคน เอามือวางไว้บนเขาไม่รู้สึกตัวก็มีเหมือนกันทุกคนถ้าไม่ฝึกหัดตัวหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ได้ทุกคนถ้าฝึกหัดถ้าหายใจเข้าหายใจออกไม่ฝึกหัดไม่มีสติก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนแล้วแต่เราจะฝึกหัดแล้เราบนหลงเราเปลี่ยนหลงไปไม่หลงก็ฝึกได้ทุกคนถ้าฝึกแต่ถ้าไปฝึกก้มหลงก็เป็นความหลงอยเช่นนั้น ทุกขก็เป็นความทุกข์อยู่เช่นนั้นความโกรธก็เป็นความโกรธอยู่เช่นนั้นถ้าเราเปลี่ยนก็ก็เปลี่ยนได้ทุกคนถ้าไม่เปลี่ยนก็มีหลงเป็นหลงทุกข์เป็นทุกข์ถ้าเปลี่ยนก็อะไรก็เป็นรูปจิตที่เกิดกับกายกับใจนี่มาเป็นรูปทั้งหมด ความเจ็บก็รู้เห็นความเจ็บก็รู้เห็นความตายก็ได้รู้ได้เห็นได้เป็นรู้ทั้งหมดเพราะว่าที่รู้เฉกตัวเนี่ยเหมือนวิสติเป็นหน้าล้เหมือนพระจีรศกผู้มีสติเป็นวิไดน้ำใบชูอันวิเศษจีรศกคือพระหาน กูมีสติเป็นวินัยเนี่ยทุกคนทำได้อยู่ในกำมือของเราเธอๆให้มั่นใจตัวเองมั่นใจการทำเนี่ยมากที่สุดทำดีก็ดีทันทีมีสติก็มีทันทีแล้วความชั่วทันทีมีสติก็ทำความดีทันที มีสติจิตก็บริสุทธิ์ทันทีเจ้าอย่างไรจะไปขอใครที่ไหนอาสาา่ใครวันเดือนปีอะไรดลกงามยามดีที่ไหนอยู่ที่การกระทาของเรานี่พร้อมแล้วได้รูปมหาพูตรูป ลกูกอาศัยทำดีทำชั่วได้ถ้าทำดีก็ดีได้ลูกนี่มหาพุตธลูกที่มาเกิดมาให้เราทำดีดูดีๆมหาพุตธลูกนี่เป็นเครึ่องมือทำดีไม่ใช่มาทำชั่วมีมือ5ห้นิ้วสำหรับจับจับนิ้วดียวไม่แน่น สอนิอน้วก็ไปแน่นสามนิว้วสีนิว้วห้นิ้วจึงแน่นเพื่อจัะปลายจับสิ่งที่ทำดีช่วยเหลือกันดึงกันยิ่งเสียเนิ้วยิ่งดีใหญ่มีบาม่มีแบกแต่มันหลักก็แบกกันมีที่เกาะที่วางพับ้อย เอาให้ออกราวได้บาไปชันได้เพื่อทำความดีสะดวกกว่าทำความชั่วทำชั่วต้องรีต้องรับทำดไีไม่รีไม่รับที่ไหนก็ได้สะ <c oughs> ดวกในโลกธรรมนะครับเรูปโลกอาศัย ให้ทำความดีถ้าเราเ ป, ป็นลูกก็เป็นอุปทายลูกยึดมั่นเถือมั่นเป็นทุกเป็นโทษกับลูกนี่อุปทาอยลูกลูกที่ป็ น, ป เ, ปนเป็นทุกลูกที่มันเป็นทุกเป็นโทษอะไรก็มาเป็นตัวเป็นตน ออกมาเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่เห็นแจ้งตามกวาเป็นจริงที่ว่าอุปทาจะลูกมันซ่อนอยู่ที่ลูกนะครพุทธลูกด้าลรงไปลูกก็เป็นซ้อนขึ้นมาแทนที่จะมีประโยชน์ก็เป็นโทษเป็นลูกทุกข์ไปซะไม่ใช่เป็นลูกธรรม เราจะมาเห็นเป็นรูปทรทมดีรูปนี่มันเอามาทาดีมละความชั่วมาใช้ประยึดมั่นถือมั่นมาพุทธ ร, รูปไปกอบไปด้วยธาตุจีธาตุหกมันก็มีให้ผอเหมาะพอดีเจ่าโลนเหงื่อมันก็ออกเานเนาว แล้วก็ปิดเหงื่อปิดน้าไว้มันเป็นธรรมชาติมันยอดเยี่ยมกาตสี่ธาตุกาหกธาตุหกก็มีช่องว่างมีในกายมีช่องว่างมีที่เดินลมมีที่เดินเลือดเห็นยาณธาตุคือนอไรู้อเลยได้ไม่ใช่สี่เป็นหก เดียกว่าขันธห้าทำดีได้ทำชั่วได้นกกักขูก็รู้ว่าเป็นทุกข์ถ้าไม่ขกกู่ก็รู้ว่าไม่ทุกข์มันรู้อะไรได้แต่เรามาช่วยไม่ช่วยรูปช่วยนามมาช่วยมหาพุทธลูปให้อยู่ในความเป็นธรรมไม่เป็นธรรมต่อมหาพุทธลูปราะอุปทายาลูปทำผิดผิด เมื่อไม่มีความเป็นธรรมในรูปความเป็นธรรมในน้ําก็ไม่มีรูปเบียดเบียนตามน้ํามเบียดเลีย น, นรูนปทม า, าเป็นปัญหาเป็นพี่เป็นภยัยแต่ชีวิตผิดก็เป็นทุกข์เป็นโทษไปเกินไมาได้นอนไม่หลับเบียดเปลี่ยนกันไม่เป็นธรรมต่อกัน นี้สติจะสร้างกว่าเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับรูปคนามเรื่องของรูปเป็นอันหนึ่งเรื่องของนามเป็นอันหนึ่งเวลารูปหิวน้ำไม่ได้เป็นอะไรเห็นมันหิวเกี่ยวข้องกับความหิวอย่ากแยบคายเห็นมันปวดมันเก็บเกี่ยวข้องกับความ เก็บพโลอย่างแยกพายไม่กรบปรกระเทือนไม่หวั่นไหวเป็นความนิ่งแล้วก็ถูกต้องแล้วมันหิวเดินทางกายก็เหนื่อยล้า ก, ก็ถูกต้องแล้วแต่นามไม่เป็นลาต้จักแยก นามมันไม่เป็นอะไรกับป๋าลายไม่ใช่เอารูกนี่ไปเป็นตัวเป็นตนเป็นลายเป็นไปกับรูกนามรับใช้ลูกบางทีก็บลูกบางทีก็นามบังครับลูกอย่างที่เราสาธเตโพสูตรจิตประเสริฐจิตเป็นใหญ่สําเรับเล้วที่จิตใจใจตั้งไหน ใหญ่ในทางใช้รูปที่ผิดประเสริฐตรงไหนประเสริฐที่ ท, ทําที่รูปที่เป็นความถูกต้องสําเร็จแล้วที่นามที่ใจสาเร็จแบบไหนถ้าทําชั่วก็สําเร็จถ้าทําดีก็สําเร็จต้งสองอย่างถ้าไม่มีสติ เราเช่าอย่างไรใช้ลูกอย่างไงใช้น้ำอย่างไงน่าสนใจปว่าตัวเองทิ้งไปปฏิบัติตรธรรมคือมาดูแลตัวเรานีดูแลตัวเราก็ดูแลที่ไหนดูแลที่กายที่ใจอย่าปล่อยให้กายให้ใจเป็นทุกข์เป็นโทษมีสติดูแลเจ้าได้ทั้งหมด ลปล่อยทิ้งไอ้เวลามันคิดขึ้นมาก็ให้ดูเลยมีสติถามันคิดแบบอะไรคิดได้ทั้งหมดไม่ใช่ให้มันคิดอย่างสิ่งที่ถูกการคิดอะไรทุกอย่างทางํทาตามความคิดหมดทุกอย่างแล้วก็ไปถูกต้องมีสติดูเลยใช่ความคิดที่ถูก นอลายเป็นดีมันยอยู่ในตัวมันเองความหลงมนาะพร้อมกันกับความไม่หลงถ้าเกิดจากกิจถ้าเกิดจากรูปถ้าความทุกข์มาพร้อมกันกับความไม่ทุกข์กิจช่วยเหลืออยู่ด้วยกันมาพร้อมกันความเจ็มาพร้อมกันกับควา ม, ม, า ม, มไม่แจ ความเจ็บมาเพิ่มกันกับความไม่เจ็บความตายมาเพิ่มกันกับความไม่ตายอะไรตายอะไรไม่ตายทำให้มันเป็นอะไรเจ็บอะไรไม่เก็บทำให้มันเป็นได้บอกก็บอกได้แต่ให้ไปเถอาบอกว่ามันแจเห็นมันแจไม่ได้เป็นผู้แจเหมือนเก็บเห็นมันเก็บไม่ได้เป็นผู้เก็บ ว่ามันเห็นนักแต่รูปแต่น้ำในปายมันจึงไปเป็นสาวเป็นฉินที่นูน่นเมื่อมีตายก็ไม่ตายเพราะตายเห็นเหมือนตายไม่ได้เป็นโพราะตาย <c oughs> อะไรตายที่เห็น น, ห น, นีไม่ตายกับอะไรเห็นไม่เป็นไม่ตายกับอะไรเป็นชีวิตส่วนหลวนหรือไม่เห็นกาย เห็นหนามเห็นรูปมันก็ไปทำนั้นนะจุดหมายไปทางถึงสุดยอดที่นั่นองคุดธทธรรมที่นั่นเหนือการเกิดแก่เจิตายปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่มาทำเป็นพิธีหรือตแง่มันเป็นชีวิตชีวาขึ้นมาให้เห็นให้เห็นปิทิน ท, ท่านที่เห็นไม่ใช่รูป ฝึกไปใหม่คือรู้สึกตัวสึกแต่รู้หนูเปเห็นนะรู้สึกตัวสึกจะมู้ว่าถามว่ามืออยู่ไหนมืออยู่ที่เขาอะไรรู้ว่ามือที่เก่าอ็ก็รู้สึกตัวเ้าลตาดูเห็นไหมเห็นว่ามืออยู่เห็นเห็นคือเห็นที่ที่สูงสุดคือภาวะที่เห็นเนี่ย พระเจ้าคือเห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นไม่ได้เป็นเห็นกายจะว่ากายเห็นเวทนาจักเวทนาเห็นจิตสวัสดิจิตเห็นธรรมสักว่าธรรมอมเห็นนิพานไปตลอดถ้าเป็นอิพานไม่ได้ถ้าทุกเป็นทุกผ่านไม่ได้หลงเป็นหลงผ่านไม่ได้ใไอเห็นมันทุกผ่านนด้เห็นมันหลงผ่านได้ เห็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเหล่านี้มันไม่ยากทำไมทำไมมันจึงทำไม่ได้น่าจะง่ายที่สุดนะน่าจะง่ายที่สุดอันเป็นน่ยมันยากกลัวอันเห็นไม่เป็นนี่มันง่ายง่าทำให้ตัวเองง่ายอย่าทำให้ตัวเอยงยากอย่าทำให้ตัวเองมีปัญหาทำให้ตัวเองมีปัญญา ช่วยอะไรที่มันไม่เข้าเข้าใจก็อย่าไปหมกมุ่นมันให้ง่ายๆอย่าไปดันอย่าไปสู้เช่นควมมงง้อหนอนอย่าเชื่อมันยากมันง่ายๆอย่าเชื่อว่าเป็นเรื่องใหญ่ผิดก็ยากพุ่งซ้อนก็ยากง่วงหนงหาวห่อนอนก็ยากอันนั้นไม่ใช่เป็นความสะดวกนะ ดีมองดีแล้วเห็นแล้วนี่คือควา ม, ม่วงนี่คือความผงศรนี่คือความโมลีสงสัยเห็นแล้วบางทีก็ตกในแหล่งวิตกกิจา์หมกมุ่น ค, นคิดเอาเหตุเอาผลมากมายมันก็มีรสชาติแต่บางทีมันตกแหล่งความรู้ <c oughs> ตกแหล่งความรู้ ตกแหลงความรู้ก็เพื่อน่าก็รู้ไปหมดเลยอย่าไปหลงตกแหลงความสุขก็อย่าไปหลงตกแหลงปิติก็อย่าไปหลงตกแหลงความสงบก็อย่าไปหลงตกแหลงความว่างก็อย่าไปหลงมันมีทางผ่านตกแหลงความรู้ก็เรียกว่าจินตยาน กินต่ยานเนิ่นไม่กลับมาดูก็กลายเป็นพิพิชชนดูได้ปกแดงความว่างก็กลายเป็นหยุดอย่าไปหลงความว่างถ้ามันว่างอะไรก็ไม่รู้ไม่มาลําดับอารมณ์อันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นนามอะไรเป็นรูปธรรมนามธรรม มันเข้าเกลี่ยว่างมันไม่ไปก็กลับเข้าเกลี่ยไปนี่คือรูปนี่คือลำลำดับลําดับดูมันก็ลดที่มันตกเกลี่ยว่างเข้าเกลี่ยหนักก็ไปขึ้นต้นใหม่ออกใหม่ครับตัวอย่างอย่างนี้ไม่มีใครสอนต้องต้องจดเกณฑ์ด้วยตัวเอง มันอาจจะไม่เป็นเหมือนกันทุกคนบางคนเกิดนิมิตบางคนไม่เกิดก็ไม่เหมือนกันนั่นก็ไม่จริง น, นิมิตก็ไม่ใช่ของจริงไม่ของที่เกิดขึ้นได้ทางตาทางหูทาง จ, จิตใจทางรุดก็มีเฮยเกิดรุดนิมิตทางรุดเมื่อมีปิติ ในธรรมก็เกิดนิมิตทั้งลสขึ้นมาอิ่มอิบคือน้ำลายตัวเองอิ่มไม่อยากกินข้าวเย็นแลาวอยากจะปฏิบัติธรรมคือน้ําลอยนั่งร่างจังหวะอิ่มหนึ่งบัางก็ไม่หิวสองวันก็ไม่หิวแต่ไปฉันข้าวถ้าไม่ฝ่ายเพื่อนจะเป็นห่วงคิดถึงเพื่อนกลัวเพื่อนจะเป็นห่วง แต่ตัวเองไม่หิวเลยไอฉันก็ไม่ได้ยื้อไปที่ไหนด้วยใดที่อยู่ใกลๆกล้ก็จิ้มตัวเอ ง, องนั้นเข้าในบาทมันว่างมันอิม่มเพงก็ฉันไปไม่ได้มีก้มไปตืน่นร่นอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีไม่ได้คิดยืนไปมันอิม่มนันก็อย่าไปหลงมัน นี่สติฉีดจะไม่หลงก็ไม่เยอะหลงนี่ความสุขหลงนี่ความสงบหลงในี่ความว่าว่าตัวตือนกีหมดกิเละตัณหานั่นก็จะอย่าไปหลงก็ยังไรเป็นเช่นนั้นอยู่คิวต้องเป็นปกตินีนตาเห็นในหูได้ยินในใจหูได้กินมีลิ้นในรสเป็นปกติธรรมดา บ่เ <Boy. S 2> อย่าโทษถอยอย่ายุดเมื่อถึงที่หมายมันจะบอกเองตัวเองจะบอกเองจบใม่มีอะไรอีกแก่นี้หมดเนื้อหมดตัวหมดเนื้อหมดตั ว, มมตวไม่มีอะไรที่เป็นสุขไม่มีอะไรที่เป็นทุกข์แค่ชีวิตอย่างอิสระภาพมีแต่เมตตาคุณา ที่จะช่วยสิ่งอื่นวัตถุอื่นคนอื่นเต็มไหมเต็มอยู่ตลอดเวลาไม่มีทางที่ไปเป็นพิษเป็นภัยกับใครไม่มีทางที่เป็นพิษเป็นภัยกับสิ่งใดทั้งสิ้นแม้แต่เมตตินไม่เถีมไม่รายเห็นพาอากาศไม่เฉพาะผู้คนผู้คนแท้ๆไปโกรธทำทำไม ปบียดเบียนก็ทำไมมาช่วยกันเันเพื่อนเคยเจ็เจ็บตายด้วยกันนี่แล้วคนก็น่างสาางสารน่าสงสารต้องหายใจเข้าหายใจออกต้องกินต้องถ่าต้องหลับต้องนอนลูกเองก็ควรขวยช่วยตัวเองอยู่เต็มที่อยู่แล้วไปบียดเบงยนก็ทำไมฉะนั้นคนนี่น่าสงสารที่สุดนะ คนหนึ่งนั่งรถมากับลูกพ่อกรมเห็นคนผัวเมียสองคน ก, กับพนหมอใจมาจอดปั้นน้มันใกล้ๆกันกับรถถึงาลูพ่อจอดอยู่โอ้สามีเขาไปเปิดตัวน้ำมันไม่น้ำมันคงไม่มีแหละมันข้อข้ อ, ขอรถมองหน้ากันอาจจะคิดในใจว่าถึงบ้านไหมเนี่น้ำมันเหลือด้วยอาจจะไม่เงมือนกันหเราก็ป้าคิดไปเองนะ เราเป็นบ้าคิดเองบ้าแบบนี้นะคิดอยากจะเอาเงินให้เขาก็กลัวว่ามันจะให้แบบไหนดีถ้าไปให้เขาอาจจะเขาดูถูกเพราะว่าเราดูถูกเขาหรือป่าชิดพิธีใดเอาบอกว่ า, า็กลมบล็อกลมเอาเงินแพไปสองคนเติม น, น้ํามันแล้วบอกไปยืนดูเฉยๆก็ไม่ให้เงินก็ <laughs> แล้วก็เลย อันนี้เขาคนขับรถมาขับรถต่ออะไรบอกเขามีเครื่องดื่มอยู่นี่คุณหมูชื่อมาในเคื่องดื่มอยู่นี่แล้วทีกวาอ๋อไปให้เขาด้วเห็นเด็กน้อยมันไม่มีอะไรกินถ้ามันหิวก็ถ้ามันมีเงินเขาไปกินนะถ้าจอดเต็นต์จอ ด, าจอดทาไม นี่มันไปมั่ไปเช่นที่ไหนมันเดิมองหน้ากันอยู่เนี่ยเราก็สงสารสงสารนะเพราะนัเราช่วยกันเถอะพวกเราช่วยกันที่ดีสุดคือบอกยังไงอย่าหลงนะให้รู้สึกตัวเวลามันหลงเปลี่ยนเป็นตัวรู้เวลามันทุกเปลี่ย น, ปนไปไปทุกเวลามันโกรธเปลี่ยนไม่โกรธเนี่ยให้ไปตรงนี้ไปอย่างนี้ เราต้รู้จักช่วยตัวเองไม่มีใครช่วยเราได้แม้เราจะช่วยขนาดไหนมันก็ช่วยไม่ได้เราอยังมีการเกิดแจ่เจ็บตายแล้ว เ, เจ็บคนเดียวเราจะตายคนเดียวบางทีตายห้องอชยุยู่ด้วยเคยตายอยู่แล้วหลวงตาเคยตายในห้องอายอยูไม่มีใครช่วยเลยมีแต่หมอยืนเคียงข้างเพียงคนสองคนหมอวัยพูดอะไรเงียบเหียบไม่มีใครช่วยเราได้ หายเจ็บไม่ได้หมอก็ช่วยไม่ได้เจ็บตับปวดดังแล้วก็ช่วยไม่ได้เจ็บคนเดียวนี่เราไม่ทำเห็นเหมือนเจ็บโอ้นี่คือของเกิดของจริงไม่ได้เป็นผู้เจ็บเมื่อได้เจ็บกับความเจ็บมันหายเจ็บไม่ได้ก็าไม่ได้หายไม่ได้ลมหายใจไม่เป็นความตายชีวิตเราไม่ตายก็ราะลมหายใจ อาศาเรื่องหมายใจแล้อยู่เฉยเราอยู่เฉยเนี่จิตของเราไม่ใช่จิตเปนความชีวิตที่ไม่ต้องอาศัยอะไรไม่เป็นกับลอยปฏิปธรรมนะเป็นสมบัติของเราแท้ๆจะให้พาดจะชาตินี่พร้อมแล้วอนุย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเป็นชีวิตที่สิสสทธิ ของเราลอยเผนก็ขอเยียร์ท่านทัน้งหลายให้ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีวิธีอืน่นนะทำตามพร้เจ้าสอนนะคู่ฉันเข้ารู้จุดเดือฉันออกรู้จุดเนี่ยสมควรจะเวลากราบหาพร้อมกัน